ให้บริการตรวจรักษาด้วยสา Allegœ ศา drafting Thai หัดทบ lump survivors นต่อเพื่อรักษาโรกนวดเพื่อสุขภาภาพนต거�ร์ขนไพรอบไอน้ Southeast สมุนไพรรพบสมุนไพรดูแลม А ณดาลหลังพลอดเปิดให้บริการทุกวันที่วิทยัยลัยการ podem vredo, มหาวิทยัยลัยเทคโนโรฮีราชมงคล Tangamburi ศูนยร่าเมองศิต Meine Thai Lil Jan สอบถามโทร02 592 1991 รายการ Rescue on Radio โดยเฉลิมรัตน์น้อยกลางและเฉลี่ยต่างกิติพันธ์สนับสนุนรายการโดยสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กรสภ า, ากาชาติไทยและมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยายลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม Rescue on Radio ช่วงกาชาตินิวส์ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงกระชั้นนิวโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยได้พัฒนาระบบสารสนเทศในการยกระดับสู่การบริการผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยในแต่ละวันนะคะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมีผู้ป่วยนะคะเข้ารับบริการเป็นจำนวนมากค่ะส่งผลให้ผู้ป่วยแต่ละรายนะคะต้องใช้เวลานานในการรอเข้ารับบริการตามขั้นตอนต่างๆซึ่งเป็นโจทย์หลักที่ ในโรงภยาบาลจุดาลุงกรจับมุ่งมั่นพัฒนาระบบศาละสนเทศเพื่อยกระดับงานบริการผู้ป่วยให้สะดวกยิ่งขึ้นที่สำคัญเลยค่ะคือเพื่อลดระยะเวลาในการรอเข้ารับบริการและอย่างทำให้บุคาระกรทางการแพทย์เข้าถึงข้อมูลเพื่อการบริการได้อยากมีประสิทธิภาพอีกด้วยค่ะ ศาสตราพิชาในแพทย์นพดล น, นพคุณผู้จัดการโครงการสารสนเทศโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์ได้พูดถึงการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนางานบริการของโรงพยาบาลว่าปัจจุบันโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์ได้ให้บริษัทพิเชียวชาญด้านสารสนเทศเข้ามาสำรวจและพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลในส่วนงานบริการผู้ป่วยนอกโดยแบ่งออกเป็นสามส่วนนะคะได้แก่หนึ่งระบบบริหารจัดการผู้ป่วยได้นำตู้คีย์อ้อ มาช่วยในการบริหารจัดการผู้ป่วยซึ่งตู้เครีย์ออทที่นำมาใช้ก็มีด้วยการสองประเภทค่ะ สู้เคออสสำหรับการคัดกรองผู้ป่วยที่บริเวณด้านหน้าทางเข้าและด้านข้างอาคารพปรเมื่อผู้ป่วยสอบบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เข้าที่ตัวเครื่องนะคะเครื่องจะคัดกรองผู้ป่วยโดยแบ่งออกเป็นผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยเดิมที่มีนัดทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการกระจายผู้ป่วยไปตามอาคารรักษาพยาบาลต่างๆและช่วยลดความแออัดที่จุดรับบริการผู้ป่วยค่ะ และอีกประเภทศนะคะเป็นตู้คีย์ออสสำหรับการออกใบนำทางซึ่งตั้งอยู่ที่จุดให้บริการต่า ง, างๆภายในโรงพยาบาลเมื่อผู้ป่วยมาถึงจุดให้บริการสอดบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรผู้ป่วยโรงพยาบาลจุลาลงกรเข้าที่ตัวเครื่องเพื่อรับหมายเลขประจำตัวผู้เข้ารับบริการพร้อมใบนำทางว่าจะต้องไปที่จุดรับบริการใดเป็นลำดับขั้นตอนจนจบกระบวนการสุดท้ายค่ะระบบนี้จะช่วยลดความสับสนและความผิดพลาดในการข้ามขั้นตอนส่งผล ใหผสองค่ะระบบห้องตรวจเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับแพทย์เป็นหลากักโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะได้พัฒนา ร, ระบบให้แพทย์สามารถทำนัดหมายกับผู้ป่วยได้โดยตรงและจัดตารางนัดนะคะได้ตามความเหมาะสมด้วยการแสดงผลจำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการทั้งยังสามารถติดตามสถานะของผู้ป่วยได้เพื่อช่วยให้แพทย์สามารถบริหารจัดการเวลาในการรับผู้ป่วยลำดับถัดไปได้อย่างเหมาะสมค่ะ นอกจากนี้แพทย์ยังสามารถสั่งจ่ายยาผู้ป่วยผ่านทางออนไลน์ได้อีกด้วยค่ะโดยเภสัชกรไม่ต้องป้อนข้อมูลจากใบสั่งยาของแพทย์อีกครั้งซึ่งทำให้การสั่งยานั้นเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วและอยัางสามารถตรวจสอบการแพ้ยาและ drug interaction ได้ในระบบรวมถึงตรวจสอบได้ว่าแพทย์ท่านใดเป็นผู้ลงข้อมูลค่ะสามระบบสนับสนุนต่างๆค่ะเช่นห้องยาห้องปฏิบัติการการเงินการตรวจสอบสิทธิผู้ป่วยเป็นต้น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะได้นำตู้คีย์ออสนะคะมาใช้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยในการชำระเงินโดยเริ่มนำ ม, มาใช้ที่คลินิกโรคเลือดและคลินิกผิวหนังเพื่อลดการรอคิวชำระเงินและสำหรับข้าราชการนะคะสามารถใช้บัตรข้าราชการยื่นชำระเงินผ่านกลมบัญชีกลางที่ตู้คีย์ออสนี้ได้เลยค่ะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะยังได้นำเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ medical record หรือว่า EMR เครื่องบันทึกข้อมูลผู้ป่วยให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ซึ่งทำให้แพทย์สามารถดึงข้อมูลประวัติการรักษาผู้ป่วยไปใช้ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอแฟ้มประวัติผู้ป่วยค่ะช่วยให้แพทย์ตรวจรักษาผู้ป่วยได้สะดวกและก็รวดเร็วมากขึ้น ปัจจุบันนะคะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ร่วมกับธนาคารกสิกรไทยและเมืองไทยประกันชีวิตกำลังพัฒนาระบบสำหรับผู้ป่วยนอกเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลได้อย่างง่ายโดยผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยแอปพลิเคชันจุฬาแคร์ค่ะซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะคะจะช่วยแจ้งสถานะใบนำทางให้แก่ผู้ป่วยและผู้ป่วยสามารถชำระค่ารักษาพยาบาลผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้เลยค่ะ และนอกจากนี้นะคะยังสามารถแจ้งเตือนวันและเวลานัดพบแพทย์รวมไปถึงแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิในการรักษาได้ด้วยค่ะซึ่งแอปพลิเคชันจุฬาแคร์กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการคาดว่าอีกไม่นานก็จะสามารถเปิดให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบแน่นอนค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อในช่วงสนทนารอบรัวค่ะรายการเรสคอร์ดออนเรดิโอ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 ピンディングティーワンダンキンシンマーロコンソータラクマドタモジャイワンディーキャセオナティーディトディポットディタタイピンディモンバー 「an, めんめんファン」「ファン、ま」「ファン」「ファン」「ファン」「ファン」「ファン」「ファン」「ファン」「ファン」「ファン」「ファン」「ファン」「ファลフนี้ァン」「ファン」「ファン」「ง, งคน たくさん、こくらいぶんまくふん、ふんくらいぶんちんくんま。むねうえらんにみたたんこん。たくふん、こくらいぶんまくぬん、むねเธอไม่มีใครもี่เく็นเหมือนเธอ 「てくるこねえファン」 レスコード、オン、レディオン、シュウォ ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2556ค่ะฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดในการฝึกอบรมพยาบาลให้มีความเชี่ยวชาญโดวยจุดมุ่งหมายในการเป็นสถาบันต้นแบบทางการพยาบาลที่มีคุณธรรมด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับนานาชาติและเป็นที่พึ่งของผู้ป่วยในด้านการพยาบาลค่ะ โดยได้เริ่มคัดเลือกพยาบาลผู้มีความเชี่ยวชาญที่มีลักษณะตรงกับคำว่าเป็นคนเก่งและดีมาพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อต่อยอดขึ้นเป็นครูสอนงานที่ดีจำนวน12คนค่ะจากทีมพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือดถือได้ว่าเป็นทีมแรกที่ได้ร่วมกัน ส, สร้างความคิดและพัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบการฝึกอบรมพยาบาลจบใหม่ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ภายในระยะเวลาเพียง3ปีนะคะ ซึ่งจากเดิมต้องใช้เวลานานประมาณห้าถึงหกปีซึ่งผลงานการฝึกอบรมพยาบาลชิ้นนี้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดด้านการพัฒนาพยาบาลแบบเดิมที่เคยมีมาอย่างเห็นได้ชัดค่ะ ต่อมาในปีพุทธศักราช2559ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยได้แต่งตั้งดรพัทราพรเขียวหวานเป็นหัวหน้าส่วนพัฒนาความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลทำหน้าที่พัฒนาระบบการฝึกอบรมพยาบาลทุกส่วนงานของฝ่ายการพยาบาลค่ะให้มีคุณลักษณะเป็นพยาบาลที่ดีและมีความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะด้านที่ตนปฏิบัติค่ะ โดยดำเนินการต่อยอดจากโครงการต้นแบบที่ได้สร้างไว้จึงมีการสร้างทีมนำที่เรียกว่า clinical nurse educator หมายถึงพยาบาลที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลซึ่งเป็นพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขานะคะในช่วงระยะเวลาสองถึงสามปีที่ผ่านมาทีม clinical nurse educator ได้นำระบบฝึกอบรมต้นแบบกระจายลงสู่การปฏิบัติในส่วนงานที่รับผิดชอบตามความเชี่ยวชาญของตนเองซึ่งส่งผลให้เกิด การพัฒนาครูสอนงานที่ดีในฝ่ายการพยาบาลอีกจำนวนนับร้อยคนค่ะ ปีพุทธศักราช2561ที่ผ่านมาค่ะสภาการพยาบาลนะคะก็มีนโยบายในการปรับหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางในสาขาต่างๆซึ่งแต่เดิมค่ะผู้เข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าวต้องมีประสบการณ์การทำงานนะคะอย่างน้อย3ปีค่ะและจะต้องลากศึกษาต่อ4เดือนเปลี่ยนมาเป็นนโยบายการพัฒนาพยาบาลตั้งแต่จบการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตค่ะ เมื่อเริ่มเข้าปฏิบัติงานในองค์กรพยาบาลให้ฝ่ายบริการมีการจัดระบบฝึกอบรมที่เรียกว่าหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขาหลังปริญญาตรีโดยมีระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสามปีและสามารถออกประกาศนียบัตรรับรองความชำนาญเฉพาะสาขาเทียบเท่ากับหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทางสี่เดือนที่เคยมีค่ะ ซึ่งนับเป็นองค์กรพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยที่มีความพร้อมอย่างยิ่งและสามารถเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรใหม่ได้เป็นแห่งแรกเมื่อวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2561ค่ะปัจจุบันนะคะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมีน urses resident ในหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขาหลังปริญญาตรีจำนวนนะคะ148คนค่ะจากผลการฝึกอบรม ทางด้านสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ความรู้ความสามารถได้านวิชาการของผู้เข้ารับการอบโรมนะคะได้สร้างความพึงพอใจอในระดับที่สูงค่ะในกลุ่มพยาบาลแล้วก็ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ รวมถึงผู้รับบริการทำให้องค์กรพยาบาลจากทั่วประเทศให้ความสนใจขอเข้าศึกษาดูงานสำหรับในอนาคตฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จะถอดบทเรียนของการดำเนิน ง, งานในหลักสูตรดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ระบบการฝึกอบรมนี้ให้แก่องค์กรพยาบาลทั่วประเทศต่อไปซึ่งนับเป็นข่าวดีของคนไทยที่จะมีบุคลากรด้านพยาบาลที่มีประสิทธิภาพในงานเฉพาะด้านค่ะพักสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันในช่วงความรู้คู่สุขภาพกันต่อค่ะ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 ピンニワンオンエーイコンインシャンディーンメバイヤケンタミ k w a m s u k j a y t エーロッキーティンシャンベラティタミミプダイ ピンターハンマー ーーや ま, ま, まんしんべんうんかい。 私たちは私たちの心を捨てることができます。 ピンターンマー やまんしんべんうんかい。 ミミクライミクライザーザイタピンタハンマータガーザイタヤモンシンペンカンクライジェロドンミスマトクランティタミペンハリハシンライナタメバウルグロウ Let's call on Radio ช่วงความรู้คู่สุขภาพกับเข้าสู่ช่วงความรู้คู่สุขภาพกันต่อค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงสปปรรปคุณและประโยชน์ของใบยะนางที่มีคุณค่าอเนกอานานต่อสุขภาพกันค่ะ เมื่อเอ่ยถึงสรรพคุณของใบาย่านางนะคะต้องยอมรับว่ามีประโยชน์มากมายจริงๆในตำราสมุนไพรถือว่าใบาย่านางนั้นเป็นยาอายุวัฒนะค่ะนอกจากจะมีวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกายแล้วใบาย่านางยังนำมาใช้เป็นเครื่องปรุงรสเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมของอาหารอีกด้วยเช่นแกงหน่อไม้ซุปหน่อไม้วันนี้เรามีสรรพคุณและประโยชน์ของใบย่านางที่ดีต่อสุขภาพมาฝากค่ะ ในด้านสุขภาพและความงามนะคะใบย่านางให้ผลดีต่อสุขภาพหลายด้านด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการสร้างภูมิต้านทานโรคในร่างกายโดยการปรับสมดุลฟื้นฟูเซลล์ต่างๆให้แข็งแรงรวมถึงการเพิ่มความสดชื่นให้แก่วร่างกายนอกจากนี้นะคะยังเหมาะกับผู้ที่เป็นมะเร็งเป็นอย่างมากค่ะเพราะช่วยป้องกันและลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งได้ดีหากคุณดื่มน้ำใบย่านางเป็นประจำจะช่วยให้ก้อนมะเร็งฝ่อและเล็กลงได้ค่ะ สำหรับสบรรพคุณด้านอื่นๆที่เห็นผลอย่างชัดเจนในการรักษานะคะก็คืออาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดเป็นลมคลื่นเฮียนอาเจียนรวมถึงใช้ป้องกันโรคภูมิแพ้อายจามมีน้ำมูกและเสมหะใบย่านางยังมีสบรรพคุณในการช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจและใช้ในการบำรุงรักษาตับและไตได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับคนที่มีอาการอรัมพฤกษ์นะคะใบย่านางก็ช่วยรักษาและก็บรรเทาอาการได้ด้วยเช่นกันค่ะ าคุณรู้สึกว่ามีอาการอ่อนล้าหรือว่าอ่อนเพียนอนเท่าไหร่ก็ไม่หายอักก็ไม่หายนะคะลองกินใบย่านางดูค่ะอาการจะดีขึ้นสำหรับคนที่มีอาการเกรงชักหรือเป็นตะคิวบ่อยบ่อยนะคะลองหาใบาย่านางมารับประทานค่ะ คุณผู้ฟังจะพบว่าอาการต่างๆจะดีขึ้นและหายไปนอกจากนี้นะคะบายนางอย่างช่วยป้องกันไม่ให้เส้นเลือดฝ่อยในร่างกายแตกใต้ผิวหนังได้ง่ายอีกด้วยเรียกว่าบายนางเป็นสมุนภายไทยค่ะที่มีสับประคุณที่ครอบจากกรวันจริงๆค่ะ สำหรับสาวๆที่มีปัญหาริ้วรอยบนใบหน้าใบย่านางก็สามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเนื่องจากในใบย่านางนั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระจำนวนมากจึงสามารถช่วยลดและก็ชะลอการเกิดริ้วรอยและความแก่ชราได้อย่างเห็นผลค่ะรวมไปถึงใบย่านางยังให้ผลในการลดความอ้วนช่วยในการเผาผลาญไขมันและนำไปใช้เป็นพลังงานทำให้น้ำหนักลดลงและหุ่นดีขึ้นอย่างปลอดภัยค่ะ เราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนะคะมีใบย่านางแบบชนิดแคปซูลซึ่งสะดวกในการรับประทานแล้วก็ยังมีสปปรรพคุณอย่างครบถ้วนเพียงแต่นำมาแปรรูปให้รับประทานสะดวกและง่ายขึ้นแล้วก็ยังนำมาแปรรูปเป็นสะบู่ใบย่านางที่เป็นอีกทางเลือกของผู้ใชาย้ที่ได้ใช้สะบู่ที่มาจากสมุนไพรแท้ๆรวมถึงการนำมาทำเป็นแชมพูสระผมก็ได้ค่ะที่มีคุณสมบตัติการชะลอการเกิดผมงอกและการนำใบย่านางนะคะมาทำเป็นเครื่องดื่มสม ผลพายบำรุงร่างกายได้อีกด้วยค่ะของดีของเมืองไทยอยู่ใกล้ๆตัวเรานี้เองนะคะได้วยรับการพิสูจน์แล้วในเรื่องของสปปรรพคุณและประโยชน์ที่คนส่วนใหญ่ให้การยอมรับว่าดีจริงๆทำให้สุขภาพแข็งแรงอีกทั้งราคาไม่แพงและก็ปลอดภัยค่ะของดีๆอย่างนี้เห็นทีจะต้องรีบไปหาใบาย่านางมาทานเป็นประจำแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ